ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่111โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังธรรม MP3 แผ่นที่111ให้คติธรรมว่าเอกังหิ สัจจณนะทุติยะมัถยิความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองคือความจริงคือหลักเหตุผลคือหลักเหตุผลถึงจะพูดราชขัฐานที่ใดก็ต้องอ้างหลักเหตุและผลคาว่าเหตุผลคำนี้เนี่ยคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมไปพูดราชขฐานที่ใด ต้องอ้างหลักเหตุและผลถ้าว่ า, าพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในหลักเหตุผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ถ้าพูดนัาจานณที่ใดก็ยืนในหลักนี่แหละเพราะนั้นการที่จะพูดกล่าวมากน้อยแค่ไหนก็ยืดในหลักเหตุผลเป็นที่ยอมรับของคนทั่วนหน้าแต่ถ้าพูดไม่มีหลักไม่มีเหตุไม่มีผลเออ เลื่อนลอยไปเรื่อยหาสัตว์หาความสัตย์จริงไม่ได้แล้วก็จะหาความเชื่อถือได้อย่างไรพระทั้งขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ความจริงบอกกล่าวแต่ความจริงเราหัดปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์พวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมการกล่าว เรื่อง MP 3าแปดที่111ก็สมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภศษีศรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกท่านทุกคนด้วยเทิน